บ <Book> <62. S 3> ุกทูหกสสองการตั้งคำถามหนึ่งเรียนนักเรียนเรียนมากไหม เรียนด e สตูเดนต์เบายไม่พวกเขาเรียนน้อยเนียอะไรเรียนมันถามฟรอคุณถามคาถามคุณครูบ่อยมฟรยายกระยิลต์ดีอั e นรวิสเซอร์ฟรอไม่ค่ะดิฉันถามท่านไม่บ่อย เนี่ยแอคฟรอมนี่คริลฟรอนี่ตอบกลับอันทวอร์ o ช่วยตอบกลับด้วยค่ะอันทว d ร์ดอัศบริฟดิฉันตอบกลับแอคอันทวอรงานเว เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมว่ากันเอาใช่ค่ะเขากำลังทำงานอยู่ย่อให้ว่กนมากุ้มคุณจะมาไหมกุ้มอีค่ะเรากำลังจะมาเร็วๆนี้ ยาองศมเป็กออยู่วคุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะวุ่นอีนเบอรลินค่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลินยาแอกวุนอินเบอลิน